จเจรินพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสยในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันลาทย์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภา ร, รกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาละ บ, บามาชว่าใจให้สาโดยสุดเพราะเป็นการเติมความสุขลดความทุกข์ให้แก่ใจเพราะความสุขและความทุกข์ของใจนี้มีความเงื่อแรงมากกว่า ความสุขความทุกข์ของร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันถ้าเปรียบเทียบความสุขทางร่างกายก็เป็นเหมือนหนูส่วนความสุขทางใจหรือความทุกข์ทางใจก็เป็นเหมือนเชา้าเวลาเรามีความทุกข์ใจนี้ถึงแม้ว่าร่างกายเราจะมีความสุขแต่เราก็จะไม่ ได้สัมผัสกับความสุขของทางร่างกายเพราะความทุกข์ทางใจรุนแรงกว่าหลายเท่าด้วยกันในทางตรงข้ามเวลาเรามีความทุกข์กายแต่ถ้าเรามีความสุขใจความทุกข์กายก็จะไม่มีผลมากนักต่อใจเพราะใจมีความสุข ดังนั้นเราจะอย่าไปหาความสุขทางร่างกายมากจนเกินไปหาพอประมาณเท่าที่จำเป็นก็คือหาเพื่อเลี้ยงชีพก็พอแล้วให้ร่างกายเรามีปัจจัยสี่คือมีที่อยู่อาศัยมีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่งหลงและมียารักษาโรคไว้ ไว่ใช้ไว้รับประทานก็พอแล้วอย่าไปหามามากจนเกินไปเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อย่างไรต่อจิตใจและเกิดโทษกับจิตใจเพราะจะเป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเพราะเมื่อเรามีมากเราก็มีความห่วงมากมีความหวงมาก และเวลาที่เราสูญเสียไปเราก็จะสูญเสียมากเราก็จะเสียใจมากดังนั้นขอให้เราอยู่แบบสมัตมากน้อยสันโดษถ้าเราพอมีพอกินแล้วก็พอแล้วสำหรับความสุขทางร่างกายเพราะจะมันมันจะไม่สุขไปมากกว่านี้ต่อให้เรามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน มีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามมีบริษัทบริวารมีคนคอยยกย่องสรรเสริญเยินยออยู่มากน้อยเพียงไรก็ตามความสุขทางร่างกายมันก็ไม่มากไปกว่าคนที่ไม่มีไม่มีเงินเป็นร้อยล้านไม่มีตำแหน่งสูงๆไม่มีคนยกย่องสรรเสริญความสุขทางกายนี้เท่ากันหมด ถ้าอยู่ได้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายมีปัจจัยสีไม่ว่าจะอยู่ในวังหรืออยู่ในกระต๊อบความสุขทางร่างกายก็มีเท่าๆกันดังนั้นเราอย่าไปหลงกับการหาความสุขทางร่างกายด้วยการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงติตลถมาบำรุงบำเลอเพราะมันก็จะไม่ได้มากไปกว่า ความสุขที่ขนาดตัวหนูเท่านั้นเองถ้าอยากจะได้ความสุขขนาดตัวช้างนี้เราต้องมาสร้างความสุขที่ใจเพราะใจนี้สามารถรับความสุขได้มากกว่าร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันถ้าใจเรามีความสุขแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ทางร่างกายร่างกายจะแกะ่จะเจ็บจะตาย จะอดยากขาดแคลนอย่างไรตุกยากลาบากอย่างไรใจจะไม่เดือดร้อนเพราะใจมีความสุขในทางตรงกันข้ามถ้าจะถ้าร่างกายมีความสุขระดับมหาเศรษฐีระดับพระราชามหากษัตริย์แต่เวลามีความทุกข์ใจความสุขทางร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะไปลบล้าง ล, ลิกกดความทุกข์ทางใจได้เลย ดังนั้นขอให้เราอย่าหลงให้ความสําคัญกับร่างกายเราต้องให้ความสําคัญกับใจของเราเพราะใจของเรานี้เป็นของเราอย่างแท้จริงส่วนร่างกายของเรานี้เป็นสมบัติชั่วคราวเรามีร่างกายไว้ครอบครองได้อย่างมากไม่เกินร้อยปีร่างกายก็ต้องหมดสภาพไปแต่ใจของเรานี้ไม่มีวันหมดสภาพ ไม่มีวันตายไปจากเราใจจะอยู่กับเราไปเสมอเพียงแต่ว่าจะอยู่แบบไหนจะอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ดังนั้นเราต้องมาให้ใจของเราอยู่แบบสุขการจะอยู่แบบสุขก็ต้องอยู่แบบพระพุทธเจ้าทาตามพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็เป็น ปุตรชนเหมือนพวกเราที่ยังหลงอยู่กับการหาความสุขทางร่างกายเพราะองมีประสาทสามฤดูมีบ้านสามหลังประสาทสามหลังไว้ใช้สามฤดูมีมีอะไรต่างๆอาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์อันละเอียดอันปราณีตมีการบันเทิงทุกรูปแบบที่คนในสมัยนั้น จะสรรหามาได้เพราะพุทธองค์ก็มีหมดเลยแต่พระองค์กลับเห็นว่ามันเป็นความสุขที่เล็กน้อยและก็ไม่มีความไม่มีความสามารถที่จะลบล้างความทุกข์ภายในใจได้เวลาที่พระองค์คิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายคิดถึงความพลาดพลากจากสิ่งที่ ลักไปพระไถยของพระ อ, องค์ก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาและความสุขของทางร่างกายก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ของใจได้เลยพระ อ, องค์จึงทรงเห็นว่าปัญหานั้นอยู่ที่ใจเป็นหลักไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้ต่อให้ดูแลดีอย่างไรไม่นะไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดสภาพไป ไม่มีใครยับยั้งยุติความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่เราสามารถยับยั้งความทุกข์ใจที่ไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้นี่คือสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องเสด็จออกจากพระราชวังเพื่อที่ไปดูแลรักษาพระไทย ของพระองค์ให้ไม่มีความทุกข์ให้มีแต่ความสุขด้วยการทำบุญ ล, ละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอพระองค์ได้ทำภารกิจที่สำเร็จแล้วพระทัยของพระองค์ก็มีแต่ความสุขตลอดเวลาเป็นความสุขระดับปรมังสุขขังคือบรลมะสุขคือเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ เป็นความสุขล้นล้นความสุขร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะพระทยของพระองค์นี้จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายของพระองค์จะแก่จะเจ็บจะตายหรือจะต้องพัดพรากจากบุคคลที่รักหรือสิ่งที่รักไปพระทยของพระองค์ก็จะมีแต่ปลอมมรสุดตลอดเวลานี่เป็นเพราะว่าพระองค์ได้ สร้างความสุขและดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้วิธีที่จะทำก็ต้องเกิดจากการทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาบดบริสุทธิ์เท่านั้นการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่สามารถลบล้างความทุกข์ภายในใจได้ ไม่สามารถสร้างบัลงมาสุขขึ้นมาได้เราจึงอยากไปหลงทางกันอยากไปเสียเวลากับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกติ้นกายเพราะหาไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วกับเกิดโทษเพราะจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ ก็จะเกิดความทุกข์ใจเวลาที่สูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่หวงไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงเห็นโทษของลาบยศสรรเสริญเห็นโทษของความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจึงตัดสินพระทัยสเสด็จออกผนวชออกไปอยู่ในป่าในเขาไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อที่จะ เสริมสร้างความสุขภายในใจให้เป็นปรมาณสุขขังให้เป็นบรมสุขและดับความทุกข์ภายในใจให้หมดสิ้นไปจนในที่สุดก็สามารถปฏิบัติและบรรลุถึงเป้าหมายที่พระพุทธองค์ทรงปรารถนาได้ก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นสารณะอันเอกของโลกต่อไป พวกเราทุกคนนี้เป็นหนี้ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะไม่รู้จักความจริงว่าความสุขที่แท้จริงของเราอยู่ที่ไหนเราก็จะถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะหลงทางกันเราก็จะหลงไปหาความสุขทางตาหูจนูกเิน่นกาย ความสุขจากการได้ลาบยศสรรเสริญต่างๆมาซึ่งเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยและมีความทุกข์ที่ใหญ่โตตามมาด้วยเวลาที่สิ่งเหล่านี้เสื่อมจากเราไปสูญจากเราไปเวลาคนร้องไห้ร้องไห้ทำไมร้องไห้เพราะว่าต้องเสียสิ่งที่รักไปนั่นเองสิ่งที่รักก็คืออะไรก็ลาบยศสรรเสริญ รูปเสียงกดลิ่นรสนี้เองที่เราสูญเสียกันแล้วเราก็มาล้องห่มร้อห้างกันแต่เราก็ไม่เข็ดเราก็ไม่จำเพราะเราไม่รู้ว่าการที่จะหาความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนนั่นเองทำอย่างไรแล้วเราก็ยังต้องอาศายความสุขเล็กๆน้อยๆจากการได้ราบสสรสสนรสญได้รูปเสียงกดลิ่นรสมา เราก็ย่อต้องยอมทนกับความทุกข์ที่มีแถมมาด้วยแต่คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้จะเห็นว่าไม่คุ้มกับความสุขที่ได้กับความทุกข์ที่ได้แถมมานี้ไม่คุ้มกันสู้ยามทุกข์กับการไม่มีมันดีกว่าเพราะว่าเมื่อเราหัดอยู่กับการไม่มีได้แล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งต่าง ถ้าเราไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีที่ดาเวลาที่เราอยู่คนเดียวใหม่ๆเราก็มีความทุกข์ใจมีความว้าเหวมีความเศร้าส้อยหงอยเหงาแต่ถ้าเราปบำเพ็ญปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือทําบุญละบาปและชาระใจให้สะอาดได้ความรู้สึก ที่ว่าเวย่ยเศร้าซ้อยหงอยเหงาจากการที่อยู่คนเดียวนี้จะหายไปถ้าใจสะอาดแล้วใจจะไม่ผลิตความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาความรู้สึกเหล่านี้เป็นความเป็นผลที่เกิดจากใจที่ยังไม่สะอาดบริสุทิ์นั่นเองก็ยังมีความโลภมีความอยากมีความโกรธมีความหลองอยู่ ดังนั้นถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงเราต้องเป็นคนที่กล้าหายกล้าที่จะตัดความสุขเล็กๆน้อยๆทางตาหูจมูกลิ้นกายไปตัดความสุขที่เกิดจากการได้ราบยศเสริญสุขไปแล้วมาบำเพ็ญอยู่ตามลำพังมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะอาดโอยสุด ไม่นานใจของเราก็จะหายจากความเศร้าโศกเสียใจความว้าเหว่ความหงุดหงิดลำคาญใจความหวาดกลัวความทุกข์ต่างๆไปได้หมดเลยและเราจะอยู่อย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดดีกว่าที่เราจะต้องมาทุกข์กับการหาราบยศสรรเสริญ กับการหารูปเสียงกลิ่นลดแล้วพอได้มาเราก็ต้องมาทุกขกับการดูแลรักษากับความหวงกับความห่วงแล้วก็ต้องมาทุกขกับความสูญเสียเวลาที่เราพัดพาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปพวกเราทุกคนนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราเกิดมาแล้วนี้สักวันหนึ่งเราจะต้องตายกันเมื่อเราตายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหาไดมากันนี้ จะเป็นของคนอื่นไปหมดเราไม่สามารถเอาไปกับเราได้เลยที่ว่าทำไมว่าเรารู้ว่าพวกเราไม่ไม่รู้ว่าเราจะต้องตายกันก็เพราะว่าถ้าเรารู้จริงๆเราจะไม่อยู่แบบนี้เราจะไม่ทำแบบนี้กันเราจะรีบหาความสุขหาความดับความทุกข์ของใจกันเพราะว่าใจของเรานี้จะอยู่กับเราไป หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไม่รู้เราจึงยังหลงอยู่กับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางรูปศิียงกิ่นลดอยู่นั่นเองถ้าเรารู้จริงๆว่าเราจะต้องตายเช่นถ้าเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ามีเวลาเหลืออีกสามเดือนเป็นโรคร้ายจะต้องตายอย่างแน่นอนตอนนั้นเน่ยเราจะรู้จริงๆว่าเราจะต้องตาย และตอนนั้น่ะเราจะได้คิดทำอย่างอื่นแทนเราจะไม่หาลาบยศเสริญเราจะไม่หารูปเสียงกลิ่นลดอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งของเราไม่ได้ดับความทุกข์ใจของเราไม่ได้เราก็จะมาหาการการดับทุกข์ด้วยการมาทำบุญลกบาทชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ดังนั้น ถ้าเราอยากจะทำบุญลาบาปละชั่มละใจได้อย่างเต็มที่เต็มใจเราต้องคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆเราต้องคิดว่าเราจะต้องตายสักวันหนึ่งอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้อย่าไปคิดว่าเราจะอยู่จนแก่ตายเพราะมีคนมากที่ไม่ได้อยู่จนแก่ตายเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนนั้นก็ได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่อยากที่จะไปหาลาภยศสารเสริงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะรีบเร่งเข้ามาหาความสุขทางใจเราจะรีบมาดับความทุกข์ทางใจให้หมดไปนี่คือเหตุที่จะทำให้เราทำบุญกันอย่างจริงจังๆไม่ได้ทำศัก์แต่ว่าทำ หรือทำพอหอมปากหอมคออย่างพระพุทธเจ้าตอนที่เสด็จออกไปประพาสนอกพระราชวังแล้วได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพระพุทธเจ้าจึงน้อมเข้ามาคิดถึงชีวิตของพระองค์เองว่าพระองค์ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไม่ว่าจะช้าหรือเร็วมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นพระ อ, องค์จึงรีบตัดสินพระทัยรีบออกจากพระราชวังไปในคืนที่ได้ทราบว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสออกมาพระ อ, องค์ทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าประทับอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถเสด็จออกจากพระราชวังได้เพราะความห่วงใยในพระราชโอรสนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าเลย สเสด็จออกจากพระราชวังในคืนนั้นเลยนี่คือคนที่ฉลาดคนที่มีปัญญาคนที่เห็นว่าต้องตายอย่างแน่นอนก็จะไม่ผัดวันประกันพรุ่งเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำหน้าที่นี้พระองค์ก็ทรงสละราชสมบัติสละทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เคยมีอยู่ไปหมดโดยไม่มีความรู้สึกเสียดายแม้แต่น้อยเลย นี่แหะจึงทาเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงออกจากพระราชวังได้ออกจากความสุขทั้งหลายได้แล้วก็ทำให้พระองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ทำให้พระองค์พ่อไทยของพระองค์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ได้พบกับความสุขที่ถาวรความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้ นี่คือแบบฉบับของพวกเราเราถือพระพุทธเจ้าเป็นเจรณานกฉามิความหมายก็คือเราต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถึงจะเรียกว่าเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นสราณะของพวกเราไม่ใช่ว่าจะเอาพระมาห้อยคอแล้วให้พระพุทธเจ้ามาเป็นบอดี้การ์ดมาเป็นมาเป็นยา ม, มาคอยปกป้องชีวิตเราอันนี้เป็นความเข้าใจผิด พระพุทธเจ้าไม่สามารถปกป้องชีวิตของพวกเราได้แต่พระพุทธเจ้าสามารถสอนให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สอนให้พวกเราได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ได้อันนี้ต่างหากคือความหมายของสารณะพวกเรามักจะเอาพระมาห้อยคอกันแล้วก็ขอบิงวบาให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองอันนี้ไม่ใช่เป็นการถือสารณะที่แท้จริง การถือสารณะที่ถูกต้องนี้ต้องถือแบบฉบับ ก, การดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำร้อยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี้มีไว้เป็นคติเตือนใจเราเช่นเวลาเราเห็นพระพุทธรูปเรากราบพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนให้เราลเลิกถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงดำเนินชีวิตมาอย่างไร เวลาเราไปกราบรอยพระพุทธบาทก็เช่นเดียวกันําว่าพระพุทธบาทก็บอกแล้วว่าเป็นรอยเท้ารอยเท้าก็คือรอยเท้าที่ท่านเดินท่านเดินไปทางไหนเราก็ต้องเดินไปทางนั้นท่านเดินไปในทางทำบุญละบาททาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องดำเนินไปทางนั้นการทำบุญที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถจะทำกันได้ก็คือการสละสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสระละราชสมบัติถ้าเราอยากจะทำบุญตามที่พระเจ้าได้ทรงทาเราก็ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วออกบวชไปอยู่แบบนัก บ, บวชเพื่อที่เราจะได้ละบาปได้อย่างเต็มที่ คือเราจะได้รักษาศีลได้อย่างเต็มที่แล้วถ้าเราได้ออกบวชแล้วเราก็จะได้มีเวลามาชำระใจของเราให้สะอาดได้อย่างเต็มที่เพราะการชำระใจนี้ต้องทำตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับนอนเท่านั้นเพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถชำระให้สะอาดได้เพราะสิ่งสกปรกนี้เขาคอยผลิต เพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยตลอด24ชั่วโมงกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงนี้มันผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาแม้แต่เวลาหลับนอนมันก็ยังผลมันก็ยังผุดขึ้นมาได้เวลาเรานอนหลับฝันไปเรายังมีความโลภอยู่ในฝันยังมีความโกรธยังมีความหลงอยู่ในฝันอยู่ดังนั้นถ้าเราอยากจะชำระกิเลสตัณหา ให้หมดไปนี้เราจะต้องปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเราถึงจะสามารถที่จะชำระใจของเราให้สหะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้าเราเป็นคารวะยังมียังมีภารกิจการงานต่างๆเราจะไม่มีเวลาที่จะมาชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ต้องเป็นนักบวชเท่านั้น หรือเป็นคาววาสที่อยู่แบบนักบวชคือไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นตลอดทั้งวันภาวนาปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับสิ่งแรกที่เราจะต้องทาก็คือต้องควบคุมความคิดของเราต้องหยุดความคิดของเราที่คิดไปในทางของกิเลสตัณหาความคิดของเรานี้9นนี้จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาเสมอ คิดอยากได้นั่นอยากได้นี่คิดอยากจะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่คิดอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอยากจะดูอยากจะฟังรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการคิดเหล่านี้ล้วนเป็นความคิดของกิเลสทั้งนั้นเราต้องหยุดมันให้ได้ก่อนด้วยการใช้การล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระชื่อของพระพุทธเจ้าท่องพุทโธพุทโธไปผ่าในใจใจท่องไปเรื่อยๆ ถ้าเราท่องพุโทโธไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถคิดไปในทางกิเลสได้ต้องพยายามคิดตั้งแต่ติมนขึ้นมาเลยคิดไปเรื่อยๆพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆแล้วใจของเราจะว่างจากความโลภความโกรธความหลงและพอเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเราก็นั่งหลับตาต้องพุโทโธต่อไปแล้วใจเราจะดิ่นเข้าสู่ความสงบ เมื่อดินเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะพบกับความสุขที่เรียกว่าเป็นปรมังสุขขานี่เองความสุขใจอันยิ่งใหญ่อยู่ภายในใจก็จากการบริกรรมพุทโธพุทโธไปแต่เป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าอยู่ได้ไม่นานแล้วก็จะต้องถอนออกมาถ้าอยากจะให้ความสุขที่ได้นั่นอยู่ต่อไปเป็นความสุขที่ถาวร เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ตัดกิเลสทุกครั้งที่เวลากิเลสโผล่ขึ้นมาเวลาโลภอยากจะได้อะไรก็ให้ตัดไปให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้จำเป็นหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเอาสิ่งที่จำเป็นก็คือถ้าไม่ถ้าไม่ได้มาแล้วเราจะต้องตายอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เช่นถ้าไม่ได้หายใจตอนนี้จะต้องตายก็ต้องหายใจอย่างนี้ไม่เป็นกิเลสการหายใจนี้ไม่เป็นกิเลสการรับประทานอาหารตามเวลาตามความสมควรนี้ก็ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้ารับประทานมากเกินไปรับประทานเพราะความอยากจะรับประทานอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นกิเลสอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พระภิกษุนี้ฉันอาหารวันละมือก็พอแล้ว ถ้าฉันมากกว่านั้นก็เป็นกิเลสแต่ถ้าฉันวันละนู้นี้ถือว่าเป็นเหมือนรับประทานยาฉันยาคนเราต้องกินข้าวข้าวนี้ก็เป็นเหมือนยารักษาให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้แต่ถ้ารับถ้ารับประทานวันละหลายหลายนนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภเป็นกิเลสเราต้องตัดมันลองฝึกรับประทานอาหารเป็นเวลาดูนอกเวลาก็อย่าไปรับประทาน ถ้าอยากจะรับประทานอะไรก็รอให้ถึงเวลารับประทานอาหารก่อนแล้วค่อยรับประทานทีเดียวพร้อมๆกันเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการตัดกิเลสได้ในระดับหนึ่งเราต้องใช้ปัญญาคอยต่อสู้กับความอยากเสมอด้วยการคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงนอกจากไม่ให้ความสุขแล้วมันยังให้ความทุกข์กับเราด้วย เช่นเราอยากได้สามีอยากได้ลูกอย่างนี้ได้อยากได้ภรรยาพอได้มาแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับลูกถ้าไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกเราก็อยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีลูกแล้วนี่เงินทองที่หามาได้นี้ต้องให้ลูกหมดเลยกายเป็นเรากลายเป็นลูกหนี้ขึ้นมามีเจ้าหนี้มาคอย ทวงเงินเราอยู่ทุกวันถ้าเราไม่มีลูกเราก็สามารถเก็บเงินเอาไปใช้อย่างอื่นได้นี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเราต้องพยายามใช้ปัญญาสอนใจให้คิดอย่างดีให้มองทั้งด้านอย่ามองด้านเดียวเวลาเราอยากได้อะไรเราวนอกจะคิดว่าดีคิดว่าจะให้ความสุขกับเราแต่เราไม่มองอีกด้านหนึงว่ามันให้ความทุกข์กับเราด้วยมันไม่ดีด้วย เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องเสือ่อมมันต้องหมดไปเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันเสื่อมไปเวลามันหมดไปตอนนั้นเราไม่เรียกว่ามันดีเราจะเรียกว่ามันไม่ดีเราจะต้องทุกข์กับมันดังนั้นถ้าเราใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญาพิจารณาทุกครั้งเวลาเราอยากได้อะไรอย่ามองแต่ส่วนที่ดีอย่ามองแต่ส่วนที่ให้ความสุขอย่างเดียว ต้องมองส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ให้ความทุกข์ด้วยแล้วเราจะตัดกิเลสได้ตัดตันหาความอยากได้ถ้าเราตัดได้เราก็จะสามารถรักษาความสงบของใจได้ใจของเราก็จะมีความสุขต่อไปโดยที่ไม่หิวไม่ต้องการอะไรได้นี่คือการชำระใจที่เราต้องทำทั้งในการการนั่งสมาธิและการใช้ปัญญา ล้ำจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราทำได้รับรองได้ว่าใจของเราจะมีความสุขตลอดเวลาจะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็ไม่เดือดรอ้อนจะเสียอะไรไปก็ไม่เดือดรอ้อนเพราะใจปล่อยวางไม่หวงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องจากกันไม่ช้า ก, ก็เล้วนี่คือ การมาสร้างความสุขทางใจการมาดับความทุกข์ทางใจที่มีความรุนแรงมากกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายเหมือนหนูกับช้างถ้าเรามีความสุขระดับช้างแล้วความทุกขระดับหนูนี้จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเช่นเวลาร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายใจที่มีความสุขระดับช้างนี้จะไม่เดือดร้อนเลยจะรู้สึกเฉยเฉย เชนใจของพระพุทธเจ้าและของพราสาวกทั้งหลายท่านตายอย่างสบายท่านตายอย่างสงบไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนจะรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่เป็นปัญหานี่คือความสุขที่พวกเราควรที่จะมาสร้างกันและความทุกข์ที่พวกเราควรจะมาดับกันด้วยการทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จึงขอฝา เรื่องของการมาทำบุญละบาปละชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่และความดับทุกข์ที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เปียนเท่านี้ขอคุณพระศรีรันตนตรัย